ติกะสิบสองปริตฐะติกะห้าสิบเก้าสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจใจมียี่สิบเอดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบ ไ, ได้ซึ่งไม่เป็นมหคัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจ<อ>ัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามสวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่เป็นอัปปาณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 22. สิสองนิทัศน์เดือกะส3ปริตารมณะเตือกะห0สิ 60. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์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 อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีอปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีอปปามานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองนิทัศนติกะสิบสหินนติกะ หกสิบสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นกลาง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอธิปติปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นชั้นปราณีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นชั้นปราณีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองชนิทนัศนะติกะสิบห้ามิจฉัตะเนียตะตึกะหกสิบสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี21วาระอธิปฏิปัจจัยมี21วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ22ชนิทัศนติกะ16มัคคารมณติเกะ63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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยม th ีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 22. ่สินิทัศนติกะ 17. อุป น, นติภะหกสิบส 64. สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้น โดยอรมะนปัจจัยยอ่ออรมะนปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระอุปานิเสียปัจจัยมีหกวาระยี 22. สิบสนิทัสนตึกกะสิบแปดอธตตะติกะหกสิห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นปัจจุบันโดยอรมะนปัจจัยยอ่อ อรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอานันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระอุปาณิเสยปัจจัยมีหวาระนัตถปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระ22สชนิทัศนติกะ 19. อธิตารมณติกะ66 สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิสตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห uh, ็นได้และกระทบได้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 อวิคตะปัจใจมีสามวาระยี่สิบสองสนิทันติกะยี่สิบถึงยี่สิเอ็ดอชาตตาติกะทวยะหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในตนเป็นปั จ, จัยแห่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายในตนโดยอรมณะปัจใจ ย, ย่ออรมณะปั จ, จัยมีหกวาระ อธิปฏิปัจจัยมีหกวาระปเรชาตะปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจ<ส>ัย <Renaissance> ม, <ator> <autres> มีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นภายนอกตนโดยอารมณะปัจจัยย่ออารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระ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 และปัญหาวาระให้พิสดารธรรมปัจจิญานุโลมตึกะตึกะประธานจบพระอภิธรรมปิดดธรรมปัจจิญานุโลมทุกะทุกะประธาน ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอาราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกขะหนึ่งสะเหตุทุกขะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุถูปัจจัยมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสี่วาระละถึง ปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวนปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสวาระ 2. สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหกวาระ พอทีปฏิปัจจัยมีสามวาระอันันตระปัจจัยมีหกวาระและถึงสหชาติปัจใจมีสี่วาระอัญญมัญญะปัจใจมีสี่วาระอนิสิยปัจจัยมีห้าวาระอุปอนิสิยปัจจัยมีหกวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอาเสุนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ และถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิดารณสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาใช้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุญญเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งาาาวงราระละถึงสหาหชาตปัจัจมีห้าวาระอัญญมัญญปัจใจมีสี่วาระละถึงวิปากะปัใจใยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งเหตุทุกกะสองถึงหเหตุสัมปยุตตทุกกะเป็นต้น 4. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุต ด, ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวัปัจจัยมีสามวาระ ละถึงวิบากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปวิจักเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปวิจักขเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสี่วาระ ละถึงวิปากาปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปจจัยมีห้าวาระหสภาวธรรมทีท่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม exist, ่เป <traumatic. attribute S 1> ็นเหตุซ ah. ึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ 6. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและสัมพยุต์ด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิบยุตจากเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมยุญด้ยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมทีท่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิบยุตจากเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุแต่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเหตุทุกกะหถึงสิบสองจุลันตระทุกกะ 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยธรรมะปัจจัยย่อธรรมะปัจจัยมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสามวาระอุปนิเสสะปัจจัยมีสามวาระสังคตะทุกกะเหมือนกับสับปัจญาทุกกะ 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นได้อาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้โดยธรรมณปัจจัยย่อธรรมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอถิปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กระทบ OK ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ 11. อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีสามวาระ 12. สสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกิยะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกีะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยในที่คํานวณมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจจย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งจิตบางดวงรู้ไม่ได้ อาจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งมิใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระหนึ่งเหตุทุกกะ สิถึงสิบอาสวะโคจกะ14สสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็น er, อาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะ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 และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ 15. สิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ ant, ์ของอาสวะอาจายัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ปปมมมมของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาจาวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจาวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 16. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุด้วยเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอว tamam. ิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ17สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสะวะและเป็นอารมณ์ของอาสะวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอ า, ออาสะวะและม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาจวะและสัมพยุตด้วยอาจวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอาจวะและไม่วิปยุจจากอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมพยุติอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปิวจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบเก้า สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากอาจวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจจากอาศวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ เหตุทุกกะสิเกสัญญโฉนะโคจกะเป็นต้นยี่สิสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิอ็สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นคันธะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี๕วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี๕วาระ22สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี๕วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี๕วาระ23 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยี่สิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระยี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาตเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกะกะห้าสิบสี่มหาสาระทุกกะยี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบเจ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นจิต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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะหปปเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุติจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปิยุจักจิตอาัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ม like วิปิยุจักจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระสามสิสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรคนกับจิต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม <land> ่ร ะ, ะคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐาน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 อวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยย่อเหตุถูกปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสาสสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิต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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ราะคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสามสิบเจสภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจ <t gold> er ัยม <itations> <t ip bert additions> ีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือโดยอรมณปัจจัยย่ออารมณปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระ อุปาณิสยปัจัจมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจัยมีสามวาระกรรมปัจัยมีสามวาระอาหารปัจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิเช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจัยย่อ เคตุปัจจัยมีสามวาระสชาตปัจจัยมีสามวาระนิจิยป aj ัจจัยมีสามวาระกามปัจจัยมีสามวาระและถึงมรรคปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยมีสามวาระ